มาพร้อมกันแล้วก็นัน่งภาวนาแล้ววันนี้การ น, นั่งสมภาวนาให้นั่งขัดสมาเทศการ น, นั่งขัดสมาเทศนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาเมื่อข้างขวาวางทับเมื่อข้างซ้าย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 ส่วนบทภาวนาของพระพุทธเจ้าก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นบทภาวนาในเราทั้งหลายถ้านึกอันใดก็ให้นึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเอาลมหายใจมาสังเกต ด, ด้วยคือว่าลมหายใจมันเป็นธาตุลมมีเข้ามีออกอยู่ทุกลมหายใจ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 เราจะเอาที่นั่งลงก้นต้นลุกขโมลนี่แหละเป็นที่ตายเรายอมตายที่นี้ไม่ยอมไปตายที่อื่นไม่ลุกไปไหนตั้งใจภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนเป็นเวลานานจิตใจพระองค์จึงสงบระงับลงายได้ ประมาณได้ความว่าเที่ยนคืนไปแหละจิตใจของพระองค์จึงหยดความคิดเล็ ก, ลกๆใน้นอยๆอามันมีประจำอยู่ในใจเราทุกคนไม่ว่านั่งเมื่อใดเวลาใดก็ตั้งใจให้มันเป็นที่ยกกายยกจิตให้สงสงตาก็ให้หลับไม่ต้องดูอะไร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 ฟังภาวนาพุทธโธทุกลมหายใจเข้าออกฟังภาวนาตายในใจของเหล่านี้ให้ได้ให้เข้าใจคือต้องทำจริงๆพระพุทธเจ้านั่นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาได้สี่สงไขเศมมหากร นับจากได้รับทรพยากรจากสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าที่ฟังก่อนมามาถึงลุกขมน ล, ล่มไม้ต้นไม้โคพระองค์กตั้งใจเด็ดขาดอะไรอะไรเอาตายสู้อย่างเดียวมานกิเลสก็ไม่มีทางที่จะมาเชี่ยมสอนให้พระองค์ลุ่มหลงหมวัวเมาต่อไปอีก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 วันหรือเที่ยวเวลามันแก่มาก็เจ็บปวดถึงขั้นฟันหลุดหลุยออกไปนี่และในร่างกายสายร่างกายสังขารของเราทุกคนให้เห็นว่ามันความไม่เที่ยงแท้แน่นอนขั้งนั้นจิตต้องดูกายดูใจของตัวเองให้มันทั่วถึงให้มันรอบรอบ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 คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาดูที่กายที่ใจของตัวเองเอาให้มันรู้ไม่โลอยาได้ต่อย่าได้ลืมสติสะเทะความะระลึกได้ะระลึกด้โยในตัวในกายของตัวเองร่างกายเต็มไปด้วยปุ พ, พเพลอยหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ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 การจิตใจมาอาศัยนี้ก็มาอาศัยโยตั้งแต่เรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่โยในในท้องแม่นนทนมาจนเกิดออกมาจนคลอดออกมามาดินลนวุนว่นวายอยู่ในร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยชลาพยาธินี้ตลอดกาล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 จงทำจิตใจของตนให้มีความองค์อากลาหารมีสติเต็มที่มีสมาธิคือความตั้งมั่นลงไปในใจของตนให้เต็มที่มีปัญญาคือว่าให้มีความรอบรู้โยนัยร่างกายสังขารของตัวเองมันแสดงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้่วยแสดงความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา จงโดจจงเห็นจงคิดนิจพิจารณาไม่คิตกิจารณาเดี๋ยวนี้เวลานี้จะไปพิจารณาเวลาใดต้องเอาปัจจุบันนี้แหละมาตั้งขึ้นมาโซ่ในใจยกจิตใจให้มันสูงขึ้นมาอย่าให้จิตใจมันลอยเหมือนงูไปทางใดก็ลอยไปนะ ไม่ให้ใจเลื่อนลอยใจตักมั่นลงไปแล้วว่าพุทธโททุกลมหายใจเข้าพุทโททุกลมหายใจออกรำลึกโยภายในนี่แหละคำว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารอันเป็นธาตดินได้แก่ผมขนและฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อันเนก็เป็นสังขารธาตุดินธาตุน้ำาพิดตังน้ำดีเสมหังน้ำสเลกพุพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมทอน้ำมันค้อนอัตโซน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงกานิกาน้ำโมก ละเีกาน้ำไขข้อมดตังน้ำมุดธาตุน้ำก็มีอยู่ในตัวเรานี่เองดูธาตุน้ำภายในร่างกายโดยเฉพาะคือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองอันเนอยู่ในร่างกายของคนเราเต็มไปหมดเรายังมองไม่เห็นในร่างกายตัวเองมันดูแต่ผิวเผินดูแต่ผิวหนังออกไป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 ต้องดูต้องภาว น, นาเพียนแท่งดูให้โลดแจ้งด้วยปัญญาของตัวเองในร่างกายสังขารที่เรามาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเป็นความลุ่มหลองมัวเมาเป็นความไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาว น, นาไม่เอาจริงเอาจัง ปล่อยให้กิเลสความโกรธมาทับผมน้ำใจปล่อยให้กิเลสความโลภตัณหามาทับผมจิตใจปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสสกามวัตถุกรรมมาทับผมจิตใจจนกระทั่งยกจิตใจขึ้นมาไม่ได้จิตใจก็เบื่อหน่ายคายจากการทำคุณงามความดี เมแต่น้ำใจอ่อนแอท่อแค่กลัวตายกลัวตายจะเอาไปไว้ที่ไหนเช็ดโดให้เดว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วไม่ให้ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่มีทางเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนมันก็ตายไม่เนวิญญาณเหมือนคนเหมือนสัตว์เหมือนต้นไม้อย่างมันก็ยังตายได้ ทนไม่ตายมันเป็นอย่างไรทนไม่ตายมันก็ใบล่วงหล่นกิ่งก้านส้าคาก็พัวพังลงมาคอนตายมันก็เหมือนกันเมื่อลมหายใจขาดสะบันหันแหลกลงเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารที่เราว่ายังเด็กยังนมยังแข็งแรงมันแข็งแรงที่ไหน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 พระพุทธเจา้าพระองค์เจียงชงชงตัดว่านามะรูปังอะนิจังนามหมายถึงจิตใจแล้วว่านามะรูปังนามและโลกไม่เที่ยงมันเที่ยงแค่แน่นอนที่ไหนอะมันเที่ยงก็มานอนอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนทิศเดือนกับ น, นอนอยู่นั่นจนกระทั่งตายได้ไหมมันนอนไม่ได้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 ก็เหมือนนี่แหละเหมือนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยลรงพยาบาลน่ะคือว่าลองศพลองผีนั่นเองไม่ใช่พยาบาลให้หายอย่างเดียวเราคิดแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปลองยาไปลรงพยาบาลจะได้หายมาไม่แน่บางคนมันไม่ได้มา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 ต้องเทียนแท่งดูด้วยปัญญาอันชอบครับพุทธเจ้าจะเตือนว่าทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งภายนอกภายในสิ่งเหล่านี้ทั้งยาทั้งละเอียดต้องพิจนารณาให้เห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราความจริงก็คือว่าสากอสุภกรรมฐานสากถีด ที่มันยังไม่ตายก็เรียกว่าเป็นซากผีดิดซากผีดิดเนี่ยมันอยู่เข้ามันนานเข้าแล้วก็เป็นซากผีตายซากผีตายนี่แหละเมื่อมันตายแล้วจะไม่มีใครเผาเผืกจีกระดูกตายที่ไหนมันก็กองอยู่ที่นั่นแหละกระดูกเนื้อหนังบางสังมันเน่าเปื่อยกินเน่ากินเหม็นมันก็เต็มอยู่ในนั้นผลที่สด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 ไม่ต้องไปโกรธให้คนโน้นไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนแก่บุคคลใดๆทั้งสิ้นทเจิตทาใจของตัวเองให้มีความองค์อากลาหารมีสติอยทุกลมหายใจเข้ามีสติทุกลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าออกแล้วว่ากำหนดมรณะกรรมฐานได้อยทุกลมหายใจ ลมหายใจเข้าไปก็ตายได้ลมหายใจออกมาก็ตายได้ที่มันยังไมต่ตายก็คือว่ามันยังเข้าออกคล่องตัวมันโยถ้ามันคล่องตัวไม่ได้เกิดหายใจเข้าแก้กองก็คือแก้เดี๋ยวเี่ขนาดนี้เทียนเพ่งดูตัวของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาตลอดศีรษะ เรื่องตามแต่ปลายผมศีรษะลงไปจนถึงพื้นเท้าจากจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบให้โดให้พินิดพิจารณาตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้ให้รู้ให้เข้าใจด้วยสติปัญญาวิชาความโลกของตัวเอง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 ไม่เกิดขึ้นก็คือไม่น้อมเข้ามาไม่พิจารณาดูตัวของเรานั่งอย่างไรนอนอย่างไรยืนอย่างไรเดินไปมาที่ไหนไม่ดูตัวเองไม่พิจารณาภาตกรรมฐานอสุภกรรมฐานของตัวเองปล่อยให้จิตใจอภิช า, าตันหาภากินพานอนสนุกเฮหาภาษากิเลส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 ดูให้เดีพิจารณาให้ได้เพือ่อนมนุษย์ที่เกิดมาในปีเดียวเดือนเดียวกันในชาดนีเน้เขาตายไปกี่คนเขาตายอยู่ทุกวันเราไม่รู้หรือคนเกิดมาในโลกแล้วนีตายไม่พ้นที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่มนุษย์อื่นมันก็ตายอยู่ ทุกลมหายใจเข้าออกในเขาก็ตายอยู่แต่มันหลายมันกว้างออกไปไม่ได้เห็นแต่เราภาว น, นานั้นให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆเมื่อมันเห็นจริงๆแล้วความว่าเววุตกลิจารต่างๆมันก็หายไป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 เกิดมาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาแก้มาให้มันแก่ทรามันต้องมีความเจ็บความไข้ความตายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้ความไม่โลในี่แหละจึงจำเป็นต้องปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจมันขาดระยะจะนึกพุทโธก็พุทโธในใจเอาทุกลมหายใจเข้าออกสูดลมหายใจเข้าไปกับพุทโธ ลมหายใจออกมาก็พุทโธเอาให้เจ็บมันมองให้มันเห็นแจ้งอยู่ในใจอย่างนี้เมื่อทำให้แจ้งในสติปัญญาของตัวเองความโลกความฉัลลาดความสามารถอาขานก็ย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้เอาสติปัญญามาจากที่อื่น เกิดขึ้นมาในกายในจิตของเราที่เรากินนิพิจจรนาอยู่นี่เองเหมือนบุคคลเขาทำโอบฝังอะไรขึ้นมาทำสวนทำนาทำอะไรก็ตามเขาก็โอกลองไปในผืนแผ่นดินเมื่อรักษาให้ดีไม่ให้ต้นไม้เข้าก้านนั้นเกิดเสียหายผลมันก็เกิดขึ้นมา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 พระองค์ปลอดเบนายศาสต์ ท, ท้งหลายอยู่สี่สิบห้าปีพระองค์ไม่มีความท้อถอย ก, รการใดจนอายอ 8, ุแปดสิบปีบริบูรณ์พระองค์ก็ดับขันเข้าโซนะหรือผ่านไปเมื่อเจตใจถึงนิทานแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างชาวเราทั้งหลาย พอจิตใจท่านพ้นไปแล้วเห็นแจ้งในธาตุสีขันธ์าอายตนะทั้งหลายมันไปจากตัวเราทุกคน น, นั่นพุทคธอยู่ที่นี่ทำโมอยู่ที่นี่สังโฆอยู่ที่นี้อยที่ใจของเราทุกคนไม่ชะโยที่อื่น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 ผูกมัดลัดเลงให้เวียนว่ายตายเกิดนอนในท้องแม่เก้าเดือนชิดเดือนแล้วเกิดมาแล้วก็ยังอยากจะนอนออีกก็คือว่าความลุ่มหลงมัวเมาในใจอันนี้มันไม่ ส, งสางตาลงไปได้เพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัตบิพอมาคาอยู่แค่ความตาย เมื่อพระพุทธเจ้าจะนั่งภาวานาใต้ลกขโมลล้มไม้ต้นไมโขนั้นพระองค์มาละลึกใดว่าจะต้องสละชีวิตลงไปมันจะตายก็ให้ตายอยู่ที่นี้นไม่ไปตายที่อื่นเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นเจตใจมันก็กล้าขึ้นมา ความทอดแท้อ่อนแอก็ไม่มีจิตใจพระองค์ก็สงบประงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่หนักแน่นเหมือนกับแผ่นดิ น, นแผ่นดินหนักแน่นอย่างไรเจจใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีความหนักแน่นเหมือนพื้นปัสุธาน่าแผ่นดิน แหตงนั้นเราทุกโรคทุกนามทุกตัวตนคนเราย่าไม่มีความท้อถอยตั้งหน้าตั้งใจตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาสิ่นห้าสินแปดสินสิบสองรอยี่สิบเจ็ดของตนให้เจริญก้าวหน้าลดหน้าไปนี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลาย ให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีวิชาความรู้ในทางธรรมปฏิบัติแล้วเราทุกคนก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมโภช์ด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการชสนี สัพพีติโยวิวัตธันตุสภโลโควินัศตุมาเตภวัตวันตราโยโสขีเทคายยโภพวตะติวาธนาชีริสนิจจงวุทาปจายิโนจัตตารอธรรมวทันติอายุวันโนโศขังภาลัง บัดเนได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิต้องหมายถึงจิตใจด้วยเป็นสมาธิถ้าเรานั่งใจโลภร่างกายจิตใจไม่อยู่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่เห็น กองทุกในโลกนี้ก็ชื่อว่านั่งได้แต่รูปร่างกายใจยังไม่เรนนั่งต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจเพ่งดูร่างกายสังขารของตัวเองเบื้องบนแต่พืนเท้าขึ้นมาตลอดศีรษะกลายผม เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตลอดพื้นเท่ากาจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบทารภาวนานั้นให้จิตใจโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบเพราะว่าหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบนี้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 หนังหุ่มหอรักษาเลือดไม่ได้เลือดจะไหลออกเมื่อนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนเราถ้ามันดีกรมดีการก็ถึงตายได้ทุกลมหายใจ จงมองเห็นชีวิตของตนเองทุกคนว่าอัปปังชีวิตตังอัปปังนน้แปลว่าน้อยชีวิตของคนเราเหลือน้อยมีน้อยจริงทีเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเท่านี้เองถ้าเกิดลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใด ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็แตกดับลงไปเมื่อนั้นจึงให้พากันตั้งใจภาวนาเพียงเพ่งมองให้เห็นและให้รักษาจิตใจให้อยู่ในปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกเกลืงจะเข้าใจ ลมกับลมหายใจเข้าออกก็มองเห็นความตายท้งตัวเราและบุคคลผู้อื่นก็เหมือนเหมือนกันเพ่งมองภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกจนรู้จักว่าเทวิตเป็นของน้อยจริงๆไม่ใช่มากมายอะไรนักนะ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 ถ้าจิตใ จ, ใจมีความสลดสังเวชในมรณะภัยคือความตายได้นั่นและมรณะกรรมฐานปรากฏในใจิตใจของผู้ภาวนาถ้ายังไม่สลดสังเวชในความตายจิตมันก็เลินไป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 ภาวานาความตายไม่ยั่งลงในใจก็เลินเลอ่เอเถอเเลยจะนับอ่านเท่าไรเหมือนพระอานนท์ว่าได้หลายพันครั้งก็าตามพระองค์ก็ยังตัดว่าการกำหนดความตายหลายพันครั้งยังเป็นช่องว่างประมาทอยู่พระองค์ก็สอนให้ใหม่ว่า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 เวลามาละนะคือความตายมาถึงเข้าจิตมันก็พุ่งซานวุ่นวายาเพราะจิตมันหลงสำคัญผิดคิดว่าความตายมันอยู่อื่นมันไม่ใส่ตายในธาตุดินน้ำไฟลมนี่ท่านความตายเขาหมายถึง ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้หมายถึงจิตตายจิตนั้นไม่มีตายเพราะว่าจิตมันไม่มีตัวมาเอาร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตัวธาตุดินน้ำไฟลมนี้เวลาที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตาย มันรวมกันโย่สม่ำเสมอทำงานตามหน้าที่ของเต่และธาไม่มี่าใดบกคล้องหรือขาดไปชีวิตยังเป็นอยู่ถ้าธาดินเสียไปก็อยู่ไม่ได้ถ้าน้ำเสียไปก็อยู่ไม่ได้ถ้าไฟไม่มี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 ยังอย่ามานิ่งนอนใจว่าเรายังเด็ ด, ดยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เวลาความตายมาถึงเข้าไม่ว่าคนแก่ชราไม่ว่าคนหนุ่มแข็งแรงไม่มีใครที่จะมาต้านทานได้เพราะว่าความตายมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงนอกเหนือจาก อำนาจของคนเราหรืออำนาจของกายกจะมาป้องกันได้เมยอย่างเดียวต้องภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเรือนจิตใจผู้โรโยในตัวในใจของเราเองให้ตื่นตัวอยทุกเวลา เพราะพระพุทธ อ, องค์ทรงตรัดว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเมื่อเป็นเช่นนี้ดวงจิตผู้โล้อยู่ฟังคำได้ยินเสียงอยู่ได้ยินกลองไหนก็ให้รวมใจอยู่ที่กลองนั้นไม่ต้องส่งใจมาเฝ้ากำหนดจิตใจดวงที่โลเสียงกระทบไปถึง โอไปู้ในจิตเจ็บใจคนเหล่านั้นเรียกว่าเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มีเสียงกระทบไปก็โลไม่มีเสียงก็้ลูปเสียงกลิ่นรสพอตพะทร ม, มาลมก็โยในจิตใจดวงโรโลอันนี้แหละ จองรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้ถือว่าการปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันภาวนาไม่ขาดระยะจะกำหนดให้เห็นทุกเข็นภัยอย่างใดก็ได้ว่าแต่เป็นโอบายเตือนจิตใจของตัวเองได้ก็ เป็นอันว่าพาให้จิตใจมีความสงบอยู่ภายในหนังหุ้มโยู่เป็นที่สุดรอบอย่ามาหลงยึดมัน่นถือมัน่นว่าร่างกายตัวตนอันนี้เป็นของมักเป็นของมั่นคงยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ได้เพราะจริงเหล่านี้มันรอ รอความตายอยู่ทุกเวลารอท่าความเจ็บอยู่ทุกเวลารอท่าความแก่อยู่ทุกเวลามันรอระยะอยู่เท่านั้นเองแหละมรรนังเนภาวิสติจงภากันเตือนจิตเตือนใจของตัวเอง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 เขายัางไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อใดก็ลหลงไหลอย่างนั่นแหละเราทุกคนก็ต้องเอาใจของเราให้ได้รวมใจให้หยุดให้โย่ลองสังขารอันนี้ให้ตกมันจะไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินไปไหนก็อย่าได้ตั้งเลอ กระทบโลกเสียงกิ่นลบพอธพะธรรมอารมณ์ก็ให้ทันสงบตั้งมั่นให้ได้อย่าให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปในที่ต่งางๆเรีวว่าทุกลมหายใจพร้อมอยู่เสมอภาวนาไม่ให้ขาดแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยมีกำลังมีความสงบระงับ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 พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะประสงค์เป็นสรณะเลิกได้เจริญได้ทางนั้นว่าแต่ให้มีสติขาสติสัมปชัญญะเมื่อใดเรียก ว, ว่าเป็นผู้ปรมาเมื่อความประมาทมีโยความหลงกัดทัมหัวใจ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 ดังแสดงมาก็ส้มกวรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วย ก, กาละชนนีสัพพิติโยมิวัตชันตุสัพพะโลโคหินัตสโตมาเตภวัตตะวันตรายโยจุกิธิคายยโกภวะ อธิวาธานาสีริสนิจังบุต ธ, ธาปจจาิโนจตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนโคขังสาลัง